การสั่งสมบุญก็นำชุกมาให้คนบุญมันพวกเรานี้ยไปนในพ้นตกคนตอนรับก่อนแล้วนี่อยู่เย็นเป็นสุขถ้าคนบาปพออยู่ร้อนนอนทุกข์ดังนั้นวันนี้ก็คือว่าเราได้มาทำบุญร่วมกันทุกคนมีน้ำใจเงินทองมันหาได้ ใจน้ำใจหายยากของเงินนะน้ำใจของคนดีน้ำใจของคนบุญจะสมุนร่วมกันไม่จะนีบุญจาเป็นต่อชีวิตใจของเราทุกคนก็พราบุญเรามาลุ่ยบุญบุญแต่งเรามาเกิดอยู่ก็อยู่ลุวยบุญเดี๋ยวนี้ แต่ว่าแต่ว่าไม่อยากแค่ไรเยินนะไปรวยบุญทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดแต่ไม่ดีให้ดีตอนไหนก่อนไม่ไม่ไปรวยบุญจึงเป็นประโยชน์ทั้งพบนี้และพบหน้าประโยชน์พบนี้เราก็หาประโยชน์พบหน้าเราก็สร้าง การทำบุญให้ทานแต่ละครั้งกำไรมีชีวิตถ้าอยากทุกให้ตรหนีคนตอนนี้ยิ่งทุกนะทุกถ้าอยากทุกให้จันีรถ้าอยากมีให้ทานเงินพวกเรานี้รวยสินรวยทานรวยปัจจุบันแล้วก็เพื่ออนาคต จะไม่ถกตำเขาจะจัดไว้แล้วท่านนี้ชงทานรวยท่านนี้ชงสินสวยทานนีชงภาวนาปัญญาเร็วทานนี้ชงต่างคนอยู่นะแสดงว่าอริยสัจเราเคยให้ทานเนีย่ยทําไว้ก่อนแล้วสนุกกินสนุกทานรูปสวยโดยซับ ขอพ่อบุนีิเดทา น, วาน้วยอริยเหตตปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลจะไม่จกต่ำาผลบุญผลทานนะเป็นนิสสติ <c oughs> เป็นที่น้อมนระะลึกถึงเป็นอาหารของใจนะใจมีคุณชินคนทานถ้าทำไว้ก่อนแล้วโศกใจคิดว่าจะทำ เขาสุขใจกำลังถวายทานพยุคํำลังถวายทานอยู่เขามีความสุขใจอนาคตข้างหน้าย้อนถึงอดีตเขามีความสุขใจนะจากกานิสติและเครื่งทานที่บริจาคแล้วเป็นอาหารใจใจแจ่มชื่นเ บ, บิกบานโยยันเป็นสุขท่านจึงให้สั่งชมบุญ นำสุกมาให้ถ้าสังสมบาปก็านำทุกมาให้อยู่ร้อนนอนทุกบ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นถ้าใจมันเหี่ยวมันแห้งใจมันเศร้ามันมองนอนร้องไห้ทั้งคืนนะนอนไม่หลับทานก็ไม่อร่อยทำมาทจ้งเป็นอย่างนั้นใจไม่มีอาหารโยร้อนนอนทุก บ้านไม่รู้ว่ากี่ชั้นมันโชครวยไหมรถกันสวยๆก็ไม่โชครวยข้าวของเงินทองไม่รู้ว่ากี่ร้านกี่แสนร้านมันก็ไม่โชครวยนะแต่เจ้าของบ้านบ้านคนทุกมันทุกใจใจไม่มีอาหารช่นพวกเราจรึงฝักใฝสนใจกำไรชีวิต ก็คือบุญประโยชน์โทษมีหาแต่ว่าประโยชน์โทษหน้าต้องสร้างสร้างบุญทำบุญเพื่ออนาคตข้างหน้าจะไม่จกต่ําทานรวยนี่แหละถ้าทานประเจ้าวันเพื่ออนาคตถ้าไม่มีผลบุญผลทานพระชิมมาดีใจแต่พะเอกลาบมากกว่า็นสุทธิทั้งหลายทําไมท่านเคยทํา ทานไว้ได้แต่ชาติก่อนพางก่อนหวานพืชเช่นใดได้ไดลผลเช่นนั้นทานของเร็วย่อมได้ของเร็วตอบแทนทานของปานี่ย่อมได้ของปานี่ตอบแทนผลจะทอนย้อนกับพระหมหาเรานะมีอำนาจให้ผลข้ามพบข้ามชาติขอพระอ น, นิสง์ผลบุญผลทานอันพอเราจึงไม่ประมาท ไม่ลืมตัวทุกคนนั้นมีบุญเป็นพื้นฐานเรทําไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าคนไม่มีบุญนั้นเกิดมาัางทีก็ให้เหมือนเพื่อนไร้ญาติขาดมิตรทําไมจึงไร้ญาติขาดมิตรไม่เคยทําบุญก็ไร้ญาติไม่ชวนเพื่อนทําบุญตัวเองก็ไม่ทํา คนสุท้ายภราิยาขาดมิตถึงจกกโรคนี้ไปก็เป็นสภาวิชาภริยาขาดมิตรให้มีน้ำใจไม่เคยชวนเพื่อนทาบุญตัวเองก็ไม่ได้ทำด้วย mm. ก็เลยจนภราิยาขาดมิตรภาพประชดพาวิภาคเขา้องการไหมเขาราชนะไหมเขากรวดไหมหมายทา น, นะอาไหมไม่ เขาก็อยากจะช่วยอยากจะรวยเหมือนกันกับเรานั่นแหละแต่ว่าบาปกรรมลงโทษนคนไม่ได้ทำบุญให้ฐานดืมเนื้อดื่มตัวได้ญาติขาดมิตรอภาภาพัพชนแต่พวกเรานี้ถ้จทำไว้แล้วแต่ซาตดก่อนปางก่อนแต่วางคนก็หัวหมอชวนไปเพื่อนทำบุญ ตัวเองไม่เคยมายอมคบกับเขาเลยชวนเพื่อนเขียงมากแต่ตัวเองกับยากจนไม่มีผลกานแต่เพื่อนเขารวยนะผลการของเขาโดยน้อยก็ของเขารวยมากก็ของเขาแต่ตัวเองกับยากจนแต่เพื่อนเยอะนะเพื่อนเยอะใช้ในโจงในการชวนเพื่อนทําบุญเป็นสะพานบุญ แต่พวกเรานี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นสะพานบุญทำบุญร่วมกันรวยรวยกันเราก็รวยเพื่อนก็รวยทำไมได้จทำบุญร่วมกันนี่แหละท่านจะไม่ให้กันหนีบุญให้มีน้ำใจเป็นสะพานบุญคนทั้งปวงเป็นพี่เป็นน้องกันทำบุญร่วมกันเพื่ออนาคตข้างหน้า แต่ว่าอยากตระหนีวุ่นนะถ้าตนีบุ่นรวยก็จริงแต่ว่าไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีบริษัทพริวารมีแต่จัตรูอันตรายรอบล่าเพราะตนีบุ่นท่านจึงให้มีน้ําใจอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันได้ทำมูลร่วมกัน โอมใจบนในุญนี่แหะรักษาทั้วงว่าบุญรักษาเทวราชคุ้มครองเป็นนสติเป็นอาเป็นอาหารใจคุณศินคนทานทางที่บริสุทธิ์ของให้ทานบริสุทธิ์เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์พัดสงเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็เป็นผู้บริสุทธิ์ มีผลมากมีอนิสง์มากเกี่ยวข้องกันทัา น, นเราผูมใจกำไรชีวิตอนิสงผลบุญพลนการบุญรักษาเจรคิคุ้มครองให้พวกเราทุกคนมีความโชคความเจริญทายุงันครยขรด้วยกันทุกท่านทุกคนต่อไปท่านใจ ร, รับพรนะท่านคิดตส้งฐานหลบชว่วยโดยทัพ ยะตาเลวะตระเวรเรนทีสกัลังอิวะเมวิโตทินังเอตานังอภะกะภะติอิตตังวิตังดุมังเกปาเมวะจินชะโต สัพเพปรตสังกะภายันโตนราชโยตังอเนจโตจิราชโยตังภิกขียอิวะฉันโตสัพพะโลกอินาตโตอเทโ ปวันตระโยชน์เจคายกโคปวอภิวัตนาเชริชนิจัง สิปะนัตโตเจคายาจาวาโนติจพปัสสเถอายันจโกตะกินาจินนางังขมิสุปัติทิดังอกระดังอิตายาจาานาตุปะขปาติ โสยติตรรมโมยายังนิทาจิตโตเตะนาปชาจะกขตาอุาลา ทัานจเป็โกนัมโนปัดนันลังปนยังปัจสุทังอนาปัตตนิประวัติาสพมังคารัง นะเทวตาสาพาปุทธานุภาเวนาสดจีกวันจดเท อาวัตตจาปมะการังจัปปเจวตาจัปธรรมานุภาตถาจดที่ปะวันุดเทมอาวตตจัปมะการังรักขันจัปปเทวตาจัสังคานุ ต่อไปนะครับโอกาสในการที่จะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล น, นะครับอันนี้เป็นจากหนังสืออมตะธรรมของสมเด็จโตฟ ร, ร, รังซีนะครับท่านกล่าวถึงหัวใจของการทำบุญนะครับขอให้ทุกท่านได้กล่าวนโมสามจุดและกล่าวคำแผ่เมตตาอุทิศกุศลในลำดับต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั ม, มาสะพุทธะ น a โมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสัมมาสัมพุทธะ พระเจ้าขอทิดส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งย <go> ี่สิบชั้นพรหมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมานโลกยมโลก อบายภูมิทั้งสี่มีนร ก, นรกเปรตอสุรกายสัยสตว์เดรัจฉา น, าานและในหมื่นโลกธาตุ ก, าตกับอีกแสนจักรวาลพิภพาาทั้งที่เป็นมนุษย์ ที่เป็นมนุษย์รูปวิญญาณรูปวิญญาณและสัพพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า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 เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนณการบัดนี้ด้วยเถินพระหังสัมมาสัมพุทธ佛พุทธังพระพระวันังอภิวาเทมิสวากาโตพระทวตาธรรมโม มังนามาสุปาติปโนภะคะวะโตสาวกสังโคชังคังนามา